เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเราทั้งหลายมีความคารพนับถือเรื่มใสศรัทธาได้ทรงประสูติและเป็นวันเดียวที่ พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้เป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นวันที่ได้ทรงเสด็จดับขันธะปรินิพานเหตุการณ์ทั้งสามอย่างนี้เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหกต่างกันที่ปีคือเวลาที่ทรงประสูตนนั้นก็อยู่ ปีปหนึ่งและเวลาที่ทรงตัดสรุปก็อีก29ปีต่อมาและเวลาที่ทรงเสด็จดับขันลาจากโลกนี้ไปก็อีก45ปีรวมพระชนมายุได้80พระพรรษาด้วยกันทำไมเราถึงให้ความสำคัญต่อวันประสูตวันตัดสรุป และวันเสด็จดับขันธปรณิพนธ์ของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดมาประสูดมาตัดสรุมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตวโลกก็จะไม่มีพระศาสนาไม่มีพระพุทธศาสนาเมื่อไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีแสงสว่างนำทางสัตวโลก ให้ไปสู่ที่สงบที่สุขที่เจริญที่ก้าวหน้าอย่างแท้จริงถ้าไม่มีแสงสว่างของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสัตโลกก็จะต้องอยู่ในที่มืดเหมือนกับอยู่ในเวลากลางคืนไม่มีแสงสว่างจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้จะไม่รู้ว่าทิศเหนือทิศใต้อยู่ทางไหน จะไม่รู้ว่ารอบด้านของตนนั้นมีภัยอันตรายอะไรบ้างไม่เหมือนกับตอนกลางวันอย่างเช่นตอนนี้เราสามารถเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้ถ้ามีภัยเข้ามาใกล้ชิดตัวเราเราก็จะสามารถหลบเหล็กได้หรือเวลาเราเดินไปที่ไหน ถ้าเราเห็นว่าไม่ปลอดภัยเราก็สามารถที่จะหลบจะหลีกได้แต่ถ้าเราอยู่ในที่มืดเราจะไม่สามารถมองเห็นได้เลยชั้นใดชีวิตของพวกเราคือใจของพวกเรานี้ก็อยู่ในที่มืดเช่นเดียวกันสิ่งที่ทำให้จิตใจของเรามืดนี้เรียกว่าความหลงโมหะ ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องโลภต้องโกรธกันต้องเวียนว่ายตายเกิดกันไม่รู้จักจบจากสิ้นต้องทุกกันเพราะทุกครั้งที่มีการเกิดย่อมมีการแก่ย่อมมีการเจ็บย่อมมีการตายย่อมมีการพัดพลากจากกันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาเลยแต่เนื่องจากพวกเรา ถูกความมืดของโมหะความหลงครอบงำจิตใจจึงทำให้จึงทาให้เราไม่เห็นเหตุของความทุกข์ต่างๆที่เรากําลังผเผชิญกันอยู่ในทุกวันนี้เหตุของความทุกข์ต่างๆที่เรามีกันทุกวันนี้ก็เพราะการเกิดนี้เองเมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องแก่เราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องตาย เราก็ต้องพลาดพลาดจากกันพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ฉลาดมากที่มีปัญญาที่สามารถพิจารณาเห็นถึงเหตุของความทุกข์ของพระองค์ได้เห็นเหตุของความทุกข์ของสัตโลกทั้งหลายได้ว่าอยู่ที่การเกิดนั่นเองและทรงรู้ด้วยว่าเหตุที่ทําให้การเกิดก็คือความอยากต่างๆ ยิงเมื่อทรงเห็นแล้วจึงได้เริ่มต้นปฏิบัติตนต่อสู้กับความอยากต่างๆลดละความอยากต่างๆให้เบาบางให้จนหมดไปในเบื้องต้นก็สละราชสมบัติออกบวชละความอยากทางความสุขทางโลกอย่างที่พวกเราทั้งหลายยังอยากกันอยู่ าะเรายังอยากดูยังอยากฟังยังอยากดื่มยังอยากรับประทานสิ่งต่างๆที่เราชอบที่ถูกอกถูกใจของเราแต่เราหารู้ไม่ว่าความอยากเหล่านี้จะเป็นเหตุที่จะพาให้เราต้องไปเกิดใหม่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วว่าความอยากต่างๆเช่นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะ ความอยากเป็นผู้ใหญ่โตเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีฐานะสูงส่งมีตำแหน่งสูงสูงล้วนเป็นเหตุที่จะพาให้ไปเกิดต่อไปล้วนเป็นเหตุที่จะทำให้จิตใจต้องตะเกีบตะกายดิ้นรนสแสวงหาอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นจึงได้ต่อสู้กับความอยากด้วยการสา ร, ราชสมบัต ไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนที่เคยทรงแสวงหาในฐานะของเจ้าชายสิทธัตถ ร, ราชกุมารเมื่อทรงอายุได้29พระบาพันก็เสด็จออกจากพระราชวังในคืนที่ได้ทรงทราบข่าวข่าวว่าพระมเมหสีได้ทรงประสูติพระราชโ อ, อรส ทรงกล่าวว่าลาหุนแปลว่าบ่วงทรงอุทานออกมาว่าลูกนี้เป็นบ่วงถ้าพระ อ, องค์ไม่เสด็จออกจากพระราชวังในคืนวันนั้น mm. ก็จะไม่สามารถที่จะเสด็จออกไปได้อีกเลยเพราะจะถูกบ่วงของราชกุมาร น, นี้คล้องคอเอาไว้เมื่อทรง ทราบว่ามีบ่วงเกิดขึ้นแล้วถึงต้องรีบหนีจากบ่วงนั้นในคืนวันนั้นเลยเสด็จออกไปจากพระราชวังโดยไม่บอกใครและทรงพระนวดทรงทรงพระเกษาแล้วก็อยู่แบบนักบวชอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามถ้ำอยู่ตามเนื้อมผาตามสถานที่สงบสงดัดวิเวก อาศัยการวินทบาทที่มีสผู้ศสัตาใส่อาหารให้สวยตามมีตามเกิดไม่ได้มีความคิดอยากที่จะรับประทานอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เพียงแต่ขอให้รับประทานเพื่อระนับความหิวเพื่อรักษาอัตภาพร่างกายให้อยู่ไปได้วันวันหนึ่งเท่านั้น เพราะเป้าหมายของพ่อพระพุทธเจ้าก็คือการเอาชนะความอยากต่างๆทรงปฏิบัติอยู่ถึงหกปีด้วยกันจนถึงวันแพ่นเดือนหกวันนี้ทรงนั่งอยู่ใต้พระอยู่ใต้ต้นโทและทรงเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาในเบื้องต้นทาจิตใจให้สงบและ ทรงเจริญวิปัสนาพิจารณาว่าอะไรทําให้เกิดความอยากก็ทรงเห็นว่าความหลงนั่นเองเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ทรงอยากนั้นไม่ได้นำความสุขมาแต่กลับเพิ่มความทุกข์เพิ่มความอยากให้มีมากขึ้นเพราะสิ่งต่างๆที่มนุษย์หรือศาสต์โลกทั้งหลายอยากกันนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องเสียไปต้องจากกันไปเมื่อจากกันไปก็ต้องมีความทุกข์เกิดตามมาและไม่ได้เป็นสมบัติของตนอย่างแท้จริงแม้กระทั่งสังขารร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นของตนไม่ใช่เป็นของใจใจเพียงแต่มาครอบครองเท่านั้นเหมือนกับ เราไปซื้อรถยนต์คันหนึ่งคนที่ซื้อรถยนต์กับรถยนต์นี้เป็นคนละส่วนกันรถยนต์นี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นตัวคนขับคนขับไม่ใช่เป็นตัวรถยนต์ฉันใดากายกับใจก็เป็นดังนั้นใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นใจแต่ใจถูกความมืดบอดคือความหลงครอบงามอยู่จึงทําให้หลงคิดว่าร่างกายเป็นตน เป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อคิดดังนั้นก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆอยากจะให้ร่างกายนี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะให้ร่างกายนี้ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าสาวก็อยากจะให้สาวไปนานๆถ้าหนุ่มก็อยากจะให้หนุ่มไปนานๆไม่อยากแก่กันความอยากนี้เองที่ผลักดันให้ ต้องไปเดินรนแสวงหาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะมัธยให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ทําเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้แล้วเมื่อยังมีความอยากในการหาความสุขโดยอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมืออยู่พอตายไปความอยากก็จะผลักให้ ดวงจิตดวงใจนี้ไปหาร่างกายอันใหม่อีกก็ไปเกิดใหม่อีกเหมือนกับที่เรามาเกิดในชาตินี้ชาติที่แล้วเราตายไปแต่ความอยากในใจของเรายังไม่หมดไปเรายังอยากดูยังอยากฟังยังอยากเห็นแสงสีเสียงต่างๆยังอยากจะลิ้มรสกับรสชาติต่างๆอยากดมกลิ่นต่างๆอยู่เราจึงต้อง ร่างกายอันใหม่ร่างกายนี้จะได้ชนิดไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่เราทำไว้ถ้าเราทำบุญไว้เราก็จะได้ร่างกายที่ดี mm hmm. เช่นร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของเทพของพรหถ้าเราทำบาปเราก็จะได้ร่างกายของเดรัจฉานของเปรตของสัตว์นรกเพราะเป็นกฎแห่งกรรม เป็นหลักความจริงของเหตุและผลการกระทำเป็นเหตุทำให้สัตว์โลกไปเกิดตามภูมิต่างๆตามชั้นต่างๆไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งสิ้นไม่ได้อยู่ที่พระพรหมไม่ได้เป็นพรมลิขิตไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจา้าไม่ได้อยู่ที่พระอรหันต์พระพุทธเจ้าไม่สามารถส่งให้เราไปนิพพานได้หรือส่งให้เราไปสวรรค์ได้ พระพุทธเจ้าเพียงแต่มีหน้าที่สอนให้เราดําเนินเหตุที่ถูกที่ดีที่งามเพื่อเราจะได้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีที่งามเท่านั้นนั่นเองนี่แหละคือการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างนี้ซึ่งไม่มีใครรู้มาก่อนไม่มีใครรู้ว่าจิตนี้สามารถหยุดจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้า ตัดความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในใจซึ่งมีอยู่สามชนิดด้วยกันคือความอยากในกลางคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสผู้ถวะความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากจะมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้อยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นสสอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเหล่านี้เรียกว่าความอยากมีอยากเป็น และความอยากประการที่สามก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่พัดพลาดจากคนที่เรารักนี่คือความอยากที่พระพุทธเจ้าได้สามารถกํำจัดจนหมดสิ้นไปจากพระทัยของพระองค์ได้ในวันเพ็ญเดือนหก เมื่อได้กับจัดแล้วพระทัยของพระพุทธเจ้าก็สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีเหตุที่จะผลับให้พระพุทธเจ้าไปเกิดอีกต่อไปพระทัยของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระนิพพานไปพระนิพพานก็คือใจที่ไม่หิวไม่อยากไม่มีความต้องการอะไรแล้วถ้าเป็นน้ำก็เป็นน้าที่เต็มเปี่ยมเต็มแก้วแล้วไม่ต้องเตามอะไรลงไป มีความสุขล้นอยู่เสมอเรียกว่าปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุขขังนี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองอยู่และจะเป็นของพวกเราทุกคนด้วยถ้าพวกเราน้องเอาข้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัต เพราะไม่มีอะไรที่จะทำให้เราได้พบกับพระนิพพานได้นอกจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นที่เรียกว่าสุปฏิปันโนดังพระอริยสงสาวลกทั้งหลายทั้งในสมัยพุทธกาลและในสมัยปัจจุบันนี้ได้ปฏิบัติกันท่านก็สามารถเอาพระนิพพานมาครอบครองเป็นสมบัติ ของท่านได้พวกเราทุกคนก็มีสิทธิเท่าเทียมกันที่เราจะสามารถน้อมเอาพระนิพพานคือประมังสุขขังที่จะไม่เกิดขึ้นในจิตใจของเราและการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพรอพุทธเจ้ามาปฏิบัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติกันนั้น ก็แบ่งไว้สหัวข้อใหญ่ๆด้วยกันคือ 1. ให้ทำความดีทั้งหลายทาบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม 2. ง, งให้ละบาป ท, ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ 3. ให้ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจนี่คือ สิ่งที่เราจะต้องทำกันเพราะพระพุทธเจ้าทำแทนเราไม่ได้พระอรหันต์พระ อ, ร, ะ ร, ะ อ, อริยสงสาวกทั้งหลายทำแทนเราไม่ได้พวกเราทำได้พวกเราทุกคนมีความสามารถถ้าไม่มีความสามารถแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ประกาศสอนพระศาสนาให้แก่สัตว์โลกซึ่งในเบื้องต้นในขณะที่ทรงตรัสรู้ใหม่ๆก็ปรากฏมีความรู้สึกอย่างนั้นว่า สิ่งที่พระองค์จะทรงสอนให้สัตว์โลกปฏิบัตินี้รู้สึกว่ามันจะยากสำหรับสัตว์โลกมากยากจนกระทั่งเขาจะไม่สามารถปฏิบัติตามได้จึงเกิดความท้อพระท่ยที่จะประกาศพระศาสนาให้แก่สัตว์โลกแต่หลังจากนั้นไม่นานเท้ามาหาพรหมก็ได้ทรงมาอาราธนาขอให้พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตา ขอให้มีความสงสารแก่สัตว์โลกขอให้สอนสัตว์โลกเพราะสัตว์โลกนี้มีอยู่หลายประเภทด้วยกันถ้าแบ่งไว้ก็เป็นพวกบัวสี่เหล่าพวกที่ฉลาดก็มีพวกที่ฉลาดไม่มากฉลาดปานกลางก็มีพวกที่ฉลาดน้อยก็มีและพวกที่โง่พวกไม่ฉลาดเลยก็มีขอให้พระ อ, องค์ทรงเห็นใจพวกที่มีความฉลาด ที่พอที่จะรับเอาพระธรรมคำสอนของพระองค์ไปปฏิบัติได้เมื่องทรงได้พิจารณาแล้วก็จึงตัดสินพระทัยที่จะประกาศพระศาสนาในเบื้องต้นทรงมุ่งไปสู่บัวที่อยู่เหนือน้าแล้วเกิดเป็นพวกที่ฉลาดมีปัญญาพร้อมที่จะ บรรลุธำมได้ทันทีในขณะที่ได้ยินได้ฟังธรรมเพียงครั้งเดียวครั้งแรกยังได้ไปโปรดพระปัญจวัคคีเพราะทรงเห็นว่าเป็นผู้ที่มีศีลแล้วมีสมาธิแล้วได้สละทุกสิ่งทุกอย่างออกบวตได้ทำบุญให้ทานอย่างเต็มที่แล้วเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะตัดสู้ได้ ท, ทันทียังทรงแสดงทำโปรดพระปัญจวัคคี เมื่อทรงแสดงธรรมครั้งแรกก็ปรากฏมีพระอัญญากรุณธรรญะหนึ่งในพระปัจวัวคีได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเป็นพระอาริยบุคคลเบื้องต้นทันทีเลยเพียงแต่ได้ฟังเท่านั้นก็สามารถบรรลุได้พระโสดาบันนี้ถ้าพูดถึงอนิสงค์ของพระโสดาบันก็คือได้ตัดภพชาติลงเหนือเพียงไม่เกินเจดชาติ เท่านั้นและเจ็ดชาตินี้ก็จะเกิดอยู่ในสุขติคือจะไม่ไปเกิดในอบายถึงแม้จะเคยทำบาปทากรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะส่งพระโสดาบันนี้ให้ไปเกิดในอบายได้นี่คือผลที่ปรากฏขึ้นจากการแสดงธรรมเพียงครั้งแรกและหลังจากทรงแสดงธรรมอีกครั้งสองครั้ง ก็ทำให้มีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมาถึงห้ารูปเลยทีเดียวนี่คือการการโปรดของพระพุทธเจ้าทรงเลือกโปรดบุคคลที่เก่งก่อนพวกหัวกะทิทั้งหลายเพราะเมื่อพวกนี้บรรลุแล้วเขาก็จะช่วยทำหน้าที่สั่งสอนให้กับพระพุทธเจ้าต่อไปส่วนพวกที่ฉลาดน้อยลงมาก็ ต้องใช้เวลาหน่อยฟังหลายๆหนหน่อยนําเอาไปปฏิบัติเรื่อยๆไม่นานก็จะบรรลุได้ในชาตินี้ส่วนพวกที่สมนี้ก็เป็นพวกที่คงจะต้องอาศัยการบําเพ็ญบุญบา ร, รมีไปเรื่อยๆคงจะไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินี้แต่ก็จะมีบุญบา ร, รมีพอที่จะส่งให้ตนได้ไปเกิดในสุคติและเมื่อ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปและจะได้บรรลุธรรมอย่างรวดเร็วในลำดับต่อไปนี่คือบุคคลสามประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดสั่งสอนส่วนประเภทสุดท้ายเป็นพวกมืดบอดคือเป็นพวกที่ปฏิเสธไม่เชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ มีการเวียนว่ายตายเกิดมีการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้บุคคลเหล่านี้จะไม่สามารถรับประโยชน์จากพระศาสนาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยเพราะเขาไม่เชื่อว่าทำบุญแล้วจะได้ไ ด, ได้ประโยชน์ไม่เชื่อว่าการไม่กระทำบาปแล้วจะทำให้เขาได้ไปเกิดในที่ดี ไม่เชื่อว่าการชำ่ละความโลภความโกรธความหลงจะทำให้เขาบรรลุถึงพระนิพพานได้บุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสารเป็นคนที่ตัดโอกาสอันดีอันเลิศเพราะการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆมนุษย์เหล่านี้กว่าจะได้มาเกิดในแต่ละครั้งนี้ ต้องมีบุญมากพอสมควรต้องรักษาศีลห้าได้เป็นปกติถึงจะสามารถมาเกิดได้และการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ก็ไม่ได้ปรากฏขึ้นมาบ่อยๆไม่ใช่ทุก 5,000 ันปีหรือทุกห้าห0นปีแต่หลายร้อยล้านพันล้านปีถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏสักครั้งหนึ่ง ดังนัง้นหลังจากที่เราตายไปแล้วและเมื่อเราได้กลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาอีกหรือไม่เพราะพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันองค์ปัจจุบันนี้ก็จะมีอายุไม่เกินห้าพันปีเท่านั้นหลังจาก 5,000 ันปีไปแล้วก็จะไม่มีใครพูดใครสอนพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่อไป เมื่อถึงยุคนั้นก็เหมือนกับยุคมืดบอดยุคที่ไม่มีแสงสว่างมนุษย์ก็จะมีแต่ความหลงหลอกให้ฆ่ากันให้ให้โลภให้โกรธให้เกลียดกันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายไม่รู้จัจบจบจากสิน้นดังนั้นชาตินีเน้เป็นถือว่าเป็นชาติที่ประเสริฐยิ่งถ้าพูดตามภาษาโบราณก็เหมือนกับน้ำขึ้นให้รีบตักเสียไม่มีโอกาสที่จะดีกว่านี้แล้ว เราเกิดมาเป็นมนุษย์เรามีโอกาสที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ครบทุกประการไม่ว่าจะ ก, การทําความดีทั้งหลายเช่นการทําบุญให้ทานหรือว่าการรักษาศีลการละเว้นจากการกระทําบาปและอบายามุขต่างๆและการปฏิบัติจิตภาวนาเพื่อชําระความโลภความโกรธความหลง เราสามารถปฏิบัติกันได้มีที่ปฏิบัติกันตามวัดวาต่างๆมีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนมีสหธรรมิกะเพื่อนร่วมปฏิบัติกันอยู่ถ้าไม่ถ้าไม่ถือว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่วิเศษที่เลิศที่สุดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอย่างนี้อีกเมื่อไหร่จึงขอให้เราจงน้อมลึกถึงวันอันำสำคัญนี้วันที่พระพุทธเจ้าทรงประศุตตัศรุ ในเสด็จดับขันธพรปรินิพานนี้ให้เป็นเหตุที่จะกระตุ้นจิตใจของพวกเราให้เกิดมีฉันทะความยินดีให้มีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรให้มีขันติความอดทนที่จะพยายามประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะผลต่างๆที่เราปรารถนากันนี้คนอื่นมอบให้กับเราไม่ได้ ปฏิบัติแทนเราไม่ได้พ่อแม่ปฏิบัติแทนลูกไม่ได้ลูกปฏิบัติแทนพ่อแม่ไม่ได้เพื่อนปฏิบัติแทนกันไม่ได้ต่างคนจต่งต้องปฏิบัติกันเอง <c oughs> เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องรับประทานกันเองรับประทานแทนกันไม่ได้อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตอนก็อยู่ตรงนี้เองอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่แล้วรับรองได้ว่าถ้าเป็นบุญวาสนาของเราเราอาจจะได้บรรลุถึงพระนิพพานในชาตินี้เลยก็ได้เพราะไม่ได้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่มากที่สามารถบรรลุได้เพียงแต่เราไม่ทราบกันเท่านั้นเองแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็นสิ่งที่ไม่ปฏิเสธผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมได้รับผลได้อย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความมั่นใจมีความแน่วแน่มีศรัทธาที่มั่นคงที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไม่ทอแท้จนกว่าชีวิตจะหาไม่เพื่อประโยชน์สุข ที่เลิกที่ประเสริฐที่จะตามมาจึงขอฝากเรื่องของวันวิสา ข, ขาบูชาวันสำคัญของพระพุทธศาสนานี้ให้ท่านได้นำไปพิพจารณาและปฏิบัติตามสมควรแก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรเพื่อประโยชน์สุขอันยิ่งยวดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา